คนที่มาประจําจริงๆก็คือนันทการเมื่อกี้นึกชื่อไม่ออกตอนนี้แล้วนึกชื่อเธอไม่ออกทีนี้ก็ยังปล่อยมากอยู่พี่พูดนี่นะแล้วก็บ้านคุณตุ้มบิดามารดาสามี แต่การป่วยมากคนอาจจะสังเกตได้ยากหน่อย บทเดินเว่อ 27 เมษายน พ.ศ. 1532 วันพระราชวดีเวลา 7:00 น. ตอน ตอนบ่ายเดินทางกลับ 27 หึขอโทษเออมัน 26 เมษายน พ.ศ. 2502 เดินทางจาก ได้ล็อตแอนเจลริสนะเวลา 8:35 น. น, น, นออกเดินทางโดยเครื่องบิน UA 701 อาหารชาว ฟินนอตต์และเจริตนําคณะรับประทานก็เดินทางเข้าที่พักเอานี้ก็แล้วกันเวลาบ่ายอิสระตรงความ 16 เมษายน ผ่านยอดภูเขาเค้าใหญ่มากเรื่อง วันนี้จึงสบว่าเป็นว่าเขาที่ 27 โมงวัน 27 เมษายน 2532 วันพระเวลา 7:00 น. น, น, นเขา แต่ก็ในที่สุดก็ไม่มีใครไปก็จะไปอยู่ อีกหลัง อ่าไหนอร่อยมากก็ยานัสขวดนั้นถ้าบอกท่านซื้อมา 20,000 บาทตกใจเรื่องยานัส อย่าเห็นเห็นใจทั้งกุตบอยเขาขอบคุณท่านหลังจากนั้นก็เดินไปชมศุลกากรก็เรียกว่าชมศุลกากรไม่ค่อยได้ซื้อของของการค้าไม่ได้ซื้อชมไปชมมาชมมาชมไปแต่ว่าที่ศุลกากรศุลกากรนี่มีความมีโชคดีเป็นพิเศษเพราะว่าบังเอิญเธอลด ลดราคาด้วยด้วยบรรดาพี่ไทยทั้งชายทั้งหญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหญิงไปเก็บเข้าก็ไปดูของที่แถมว่ามันราคาเท่าไหร่เค้าวางขายอยู่เค้าจะเค้าจะลดจะ ที่เขาตั้งราคาไว้มันเกินกว่าราคาของที่ซื้อกว่ากันกว่ากันที่ซื้อแล้วก็ได้ยังได้ของที่เราต้องการ แล้วก็คุณเสรีคุณตุ๋ยแล้วคุณอะไรคนนั้น แต่ว่าเครื่องเยยเสียง <c oughs> 210 แต่เครื่อง 120, แต 120 ไปใช้ก็ พอตอนบ่ายรู้ 50 เหรียญเสร็จนี่เป็นระบบ 45 นาทีก็เลย ก็รวมความว่าต้องขอร้องกันเพราะว่าเงินที่จะซื้อน้ํามันยินแล้วคือไม่ใช่เงินเอามาจากประเทศไทยเป็นเงินที่ไปจากบรรดากันทูตทุกคนส่งมา ชิคาโก้ก็ดีที่ NA ก็ดีที่ลอตแองเจลิกก็ดีทั้งหมดนี้ซื้อจากเงินเงินจากฝรั่งทั้งหมดไม่ใช่อย่างทั้ง ทุกอย่างบอกว่าหลวงพ่อมีแล้วพร้อมจะซื้อถือแอบๆซื้อมาให้อันนี้ เข้าไปถึงบ้านพักห้องพักเป็นธรรมดาเค้าให้เช่าก็ตั้งห้องพักธรรมดาธรรมดาแต่วันรุ่งขึ้นปรากฏว่าเจ้า ตั๋วนั้นปัญญามาประเทศไทยแล้วก็ท่านก็โทรศัพท์ถามปัญญาว่ารู้จักพระองค์ <c oughs> ไปอเมริกานี่ทุกคนเข้าใจคาอาหารกันเป็นอาหารไทย ดังนี้คือโปรดว่าไม่ใช่ เดินตรงตอนนั้นก็เฮ้ยอย่านะเฮ้ยอย่านะมึงจงเจตธายะธรรมนะอ้าวไม่มีอะไรเรานอนใน แล้วก็ต่อมาใช้เวลาล่วงขึ้นอีกวันนึงไปเวลาเดียวกันนี้ยังไม่ไปไหนตอน <c oughs>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 ถ้าคิดเป็นเงินอเมริกันมันก็ไม่กี่สิบบาทแต่คิดเงินไทยก็หูตึงเขาก็สาลง มีบางคนหลงว่าเป็นฌานสมาบัติบ้างเห็นภาพอย่างนี้สําเร็จมรรคผล ถ้าเพิ่นนักเจริญกรรมฐานขั้นเบาๆก็ถือว่าเป็นภาคสมาธิที่ผ่านไปใน ในจาตุมหาราชแต่ก็มีเพื่อน <c oughs> ท่านก็เตือนพระครูว่าถ้าท่านคิดว่าคนน้อยก็จะมีอาหารน้อยจะไม่พอกับคนบริโภคต้องจัดอาหารให้มากแล้วเตรียมห้องพักไว้ด้วยเพราะจะมีคนมาค้าง เขามีกําลังใจเป็นบุญมีจิตเป็นกุศลให้ลูกศิษย์ฝึกสมาธิเท่าสักเล็กน้อยมีการทรงตัวพอทําพอไปให้มีความเข้าใจบ้างคือรวม ท่านสัพพอเลิกแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างท่านบอกแม้เวลามันเร็วเหลือ 2 ชั่วโมงเสร็จก็บอกว่าเวลานี้ 2 ชั่วโมงน่ะบรรดาท่านพุทธบริษัทเธอตอบ อย่าไปไปสนใจไปยุ่ง 2532 เอาเจรัต NP ลิสแล้วก็เข้าซานฟรานซิสโก้ถ้ามาสนามบิน วันที่ 19 เมษายน 2512 วันเสาร์เวลา 7:00 น. น, น, นออกเดินทางโดยเครื่อง 22 นาทีถึงซานฟรานซิสโกแล้วเวลาเท่าไหร่ล่ะเวลา 891 819 โซนาริตะก็รวมความ วันนั้นรถสมศักดิ์สืบสงวนความญี่ปุ่นโจมตีคนจุด ก็บินจากซานฟรานซิสโกมาทิ้งสนามบินสนามบินนาริตะใช้เวลาตั้งกี่ชั่วโมงล่ะ 5 ชั่วโมงนะถ้าจํา ต่อมาโดยเครื่องบินของ EA 319 โซเซนาสนัมบินาริตะก็ต้อง 5 ชั่วโมงมันคอย 5 ชั่วโมงแล้วเค้าก็ประกาศ เบรกไว้ดี 3 ชั่วโมงคือ 8 ชั่วโมงลองคิดดูท่านผู้ฟังก็พระพุทธบาทยลองๆก็ดีครับ แต่นี่ก็เวลามันจะหมดจะให้มาจบซะเล่มนี้เมื่อจะออกจากสนามบิน เพิ่มไปพบกิจวุธลงไปถึงคนประมาณสัก 10 <Aw> หลังจากนั้น 2 นาทีก็เสียงในเครื่องว่าเจ้าลมแรงอยู่แล้วก็พอเดี๋ยวเดียวเรือก็สะเทือนเครื่องบินก็ มันจะลงมาเลยมันจะตายมาเลยก็เป็นเรื่องของๆนึกจริงๆแต่ว่าคนที่ไม่ห่วงกับความตายไม่กังวล ก็เรียกว่านิทราสมาบัติหลับตลอดเวลา เป็นผู้ชายมาวัยกลางคนก็เคยบอกว่าผมเสียใจด้วย เป็นสภาพของโก่งใหญ่ก็ถามว่าเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> คือใช้กําลังของเขาดันลมที่มีความแรงสูงขึ้นสูงไป บวชมาเพื่อปรารถนาทุกคนปรารถนามรรคผลจะได้อีกพักนี้จุดหนึ่ง เป็นคนไทยทั้งหมดคราวนี้มีความชื่นใจมากเพราะอะไรมะทําไมจึงชื่น ทุกสิ่งทุกอย่างมี ลงจากเครื่องบินขึ้นจากรถนิดนึงก็ถึงออกถึงเจ้าหน้าที่ไปรับกับรากกับ ทั้งหมดเนี่ยอาตมาก็ขอขอบคุณบรรดาท่านเจ้าหน้าที่อากาศยาน ที่ให้ความเมตตาที่ช่วยข้าเครื่องบินเดินทางไปเดินทางมาอาตมาด้วยกับ <c oughs> จะขอแนะนําตามธรรมะนิดหน่อยว่าขึ้นเชื่อจะ 5 กับ แล้วไปถึงสุราเมไรเหตุการณ์ 2 วาจาไม่พูดผดไม่พูดคําหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่ 3 ทางใจคือไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรมไม่คิดจองล้างจองผันภัยโกรธก็ ชาตินี้เราไม่ลงนรกกันแน่เวลา